ใครๆก็มีสองลักษณะผู้บอกกับผู้ฟังผู้บอกผู้พูดก็พูดแบบภาษาของผู้ปฏิบัติผู้ฟังก็ฟังแบบผู้ปฏิบัติเหมือนกับเราเปิดประตูปิดประตูในขณะเดียวกันกิยาที่เปิดประตู กิยาที่ปิดประตูก็อยู่ขณะเดียวกันเป็นปัจจัดตังพร้อมๆกันการที่เรามาปฏิบัติมันก็เป็นเช่นนั้นแหละเราสร้างสติมันก็ได้สติเราหลงมันก็ได้สติความหลงก็ เป็นการเปิดความหลงก็เป็นการปิดสำหรับผู้ที่ปฏิบัติความสุขความทุกข์อะไรทั้งหลายทั้งปวงมันอยู่ในขณะเดียวกันมันเป็นปัจจิตตังมันทันทีมันทันทีนี่คือของกิงของกิงที่พระพุทธเจ้าทรงส่องสอนผู้สอนก็เป็นเรื่องที่กระตือรือร้น โอ ว, วังก็เป็นเรื่องหน้ากระตือรือร้นด้วยเพราะมันไม่เหมือนกับเล่านิยายไม่เหมือนกับเล่านิทานไม่เหมือนกับวิชาการทั้งหลายที่สอนสอนกันอยู่มันเป็นปฏิบัติการทันทีแม้นได้เปิดได้ปิดในขณะเดียวกันได้ลู้ได้ลงในขณะเดียวกันต้องกันตรงนี้ ยันตรงนี้อย่าประเมินเป็นผลเป็นอะไรไปสําหรับตัวเราจะเอาตัวเราเข้าไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยเอาตัวปฏิบัติเป็นเหตุเป็นปัจจัยมอบให้ตัวปฏิบัติมอบให้ผลงานของการกระทํา ไม่ต้องไปใช้สมองเหตุผลต้นปลายความชอบความไม่ชอบอันใดให้เป็นการปฏิบัติล้วนๆวนเป็ดการกระทำล้วนลวนการกระทำล้วนล้วนหรือว่ากรรมกรรมมันจะจําแนกไปเราเจริญสติเราสร้างสติที่ยาที่สร้างก็มีลักษณะที่ ผลของการสร้างก็มีความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวหลักมันอยู่ตรงนี้วิธีที่เราจะทําวิธีที่เราจะประกอบการกระทําการฐานการตั้งมันก็มีตั้งไว้สติตั้งไว้ที่กายทุกคนก็ไม่กายเป็นกายเป็นรูป ล้วนลบริสุทธิ์เป็นความลู่ล้วนล้วนบริสุทธิ์ Focus. เป็นการกระทําล้วนล้วนบริสุทธิ์อย่าเอาความยากความง่ายเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวไปข้างหน้าไปข้างหลังประเมินผู้ปฏิบัติทำไม่ได้มานอนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปประเมินอย่าไปประเมินอื่นอย่าไปประเมินอดีตอย่าไปประเมินอนาคตการปฏิบัติเป็นปัจจุบัน ลูกก็เป็นลูกปัจจุบันหลงก็เป็นหลงปัจจุบันสิ่งไหนที่มันเป็นปัจจุบันมันทําได้เห็นโยมเกิดเราเราก็ไล่ยโยงออกเราเหยียบน้ําเราก็ไม่ต้องเหยียบน้ำํำเราก็เอาน้ําออกเป็นปัจจุบันการเหยียบน้ําไม่ใช่อดีตไม่ใช่อนาคตเหมือนหลวงปู่เทียน <c oughs> ที่ถูก อาจารย์สอบอารมณ์เล่าให้ฟังอาจารย์ถามว่าเกลือมันเค็มไหมผมกูเทียนก็ตอบแบบกรรมฐานหนักกรรมฐานเกลือมันก็อยู่ในกระถ or ว่าใดผมยังไม่เอาเกลือมาใส่ลืน่นมันก็ยังไม่เค็มมันไม่เค็ม ล้วเกลืออยู่ในกระทอเดีวผมก็นั่งอยู่ตรงนี้อาจารย์ก็เงียบอ่าถามไปอีกมันมีเสือตัวหนึ่งมันดุถูกคนยิงมาอยู่ในป่าตรงนั้นมันใสเป็นกำลังดุไล่ยอยู่ ถ้าพ่อเทียนอยู่โน่นบ้านโน่นอาจารย์อยู่นี่แต่ว่ามันมีป่าอยู่ตรงกลางอาจารย์จะสั่งให้มาหาจะกล้ามาไหมจะกลัวไหมจะกลัวไหมผมก็ยังไม่เห็นเสือผมก็ยังไม่กลัวยังไม่เห็นเสือ ผมก็ยังไม่กลัวถ้าอาจารย์สั่งให้มาผมก็มาแล้วไม่กลัวเลยผมก็ยังไม่กลัวยังไม่เห็นเสืออาจารย์ก็บอกว่าร้อยคนจะมีสักคนเดียวขออนุโมทนาด้วยอาจารย์ก็พูดอย่างนั้นไปกลับไปปฏิบัติเข้าห้องกรรมฐ า, านหมายเขาว่าอย่างไง มหมายความว่าเป็นปัจจุบันอะไรอะไรก็ตามมันต้องเป็นปัจจุบันนักปฏิบัติก็ต้องจงจงให้มีการกระทําจงให้มีวิธีปฏิบัติเป็นปัจจุบันแบบนี้มันจึงจะรัดสั้นเข้าไปไม่เนิ่นช้า ถ้ า, าว่าเราปฏิบัติแล้วคิดหน้าคิดหลังอาจารย์อย่างนั้นอาจารย์อย่างนี้คนนั่นทําอย่างนี้คนนี่ทําอย่างนั้นผู้ปฏิบัติไปแล้วเป็นอย่างนั้นผู้ยังไม่มาปฏิบัติเขาก็เป็นอย่างนั้นเราไม่เคยมีทุกข์มีความยากเราก็เป็นคนมีศีลมีธรรมทาไมต้องปฏิบัติ เราก็ทําแต่ความดีอยู่ทําไมเราต้องปฏิบัติก่อนราตระหนูตก ล, ล, ลไปซะไม่เป็นปัจจุบันเอาอาดีตเอาอนาคตเอาตัวเองมาประเมินถ้าปฏิบัติเป็นภาคที่สัมผัสนะเป็นภาคที่สัมผัสสัมผัสกับความรู้สึกตัวสัมผัสกับความหลงถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้สัมผัสกับความรู้กับความหลงมันก็ไปเห็นของเก่งเม่แต่ ความรู้ที่เป็นสมองที่เป็นเหตุเป็นผลตั้งเอาไว้มาปฏิบัติภาคปฏิบัติมันต้องลงสนามต้องประกอบต้องสัมผัสเราความรู้สึกตัวก็สัมผัสอยู่ที่กายที่มือที่ยบุตรต่างๆบัพพิสต่างๆความรู้ก็อยู่ที่กายความหลงก็อยู่ที่กายความรู้อยู่ที่จิตความหลงก็อยู่ที่จิตในขณะเดียวกัน การปฏิบัติก็ทำความหลงเมื่อความหลงมันมีลูกก่ควบหลงก็ลูกกล่ควบหลงควบหลงก็เป็นตัวปฏิบัติไปนตัวเป็นคู่กันไปในปฏิบัติมันเป็นของที่ทำได้ทันทีทันใดทันอกทันใจจะไปข้างหน้าจะไปข้างหลังทำซื่อๆทำตรงๆ จึงไม่กลัวอะไรไม่กลัวว่าใครจะหลอกไม่กลัวว่าใครจะไปหลอกใครดีใครชั่วใครผิดใครถูกที่ไหนอย่างไรไม่เกียวเลยในขณะที่เราปฏิบัติถ้าเราเตลิดออกไปอดีตอนาคตมันก็เสียเวลาหลวงพเองก็เคยจัดสรรตัวเองในลักษณะแบบนี้พ่าขณะที่ปฏิบัติ สมัยปฏิบัติใหม่ๆก็มีเพื่อนมีสิ่งแวดล้อมอยเยอะแยะหลายอย่างทั้งชอบทั้งไม่ชอบถ้าจะเอาความชอบความไม่ชอบมีมากไปถจาจะจเอาความผิดความถูกมีมากไปต้องแหวกเข้าไปแหวกเข้าไปให้ถึงการกระทาความชอบความไม่ชอบความผิดความถูกมันขวมงกันหลายๆอย่าง เกิดขึ้นกับเสิ่งแวนลมบางพระสงบ์บางสมัมมาเนนไม่คี บ, บงังเห็นกับหูกับตาก็มีเห็นเขาหลงเห็นเขารู้เห็นเขาผิดเห็นเขาถูกก็มีทำให้เกิดขวงกันความชอบความไม่ชอบอะไรต่างๆไปไม่เอาต้องเข้าถึงภาวะปฏิบัติแม้บางที ไ, ไปแบบฟังเทศหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนนี้จะนี้จะไปแบบหมดอะไรก็ไม่บางครัง้งบางคราวเราก็จัดสรรตัวเองเราพูดกับตัวเองขี้ดําตัวเองนี่เราเจริญสตินี่เรารู้สึกตัวนี่นี่เราเห็นความหลง เห็นความผิดแถมความถูกมันเกิดขึ้นกับเราเรามีคำพูดที่หลวงปู่เทียนพูดให้ฟังชัดๆว่าคุณเจอรู้ก็เป็นเรื่องของคุณคุณเจอไม่รู้ก็เป็นเรื่องของคุณคุณปฏิบัติธรรมคุณได้เข้าถึงศีลถึงธรรมก็เป็นเรื่องของคุณญาพอเนียบ่ได้ดีพอ ค, ณ, คณจะผิดจะถูกคณจะสุขจะทุกข์เป็นเรื่องของคนย่าพอก็บพอดาผิดได้ถูกกับคณเป็นเรื่องของตัวใครตัวมันเอออันนีู้้แบบหนึ่งก็พูดถ้าฟังไม่ถูกก็เข้าใจว่าทอดทิ้งไม่ใช่เป็นการกระทาที่เราฟังแล้วมันต้องมีการกระทาเกิดความเข้มแข็งเอา้ามันจะผิดมันจะถูกเป็นเรื่องของเรา เราปฏิบัติเราลู่ทําเป็นเรื่องของเราเราไม่ลู่ก็เป็นเรื่องของเราเราทําอยู่นี่เราเจริญอยู่สติอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็ได้สนุกได้แก้ความผิดเป็นความถูกก็เป็นฝีมือของเราแก้ความหลงเป็นความลู่ก็เป็นฝีมือของเราแก้ความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็เป็นฝีมือของเราแก้ความโกรธให้เป็นความไม่โกรธก็เป็นฝีมือของเรา มันก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้ปฏิบัติธรรมนะมันเป็นงานเป็นการมันพออกพอใจมันสมเหตุสมผลกับทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นขณะที่เราปฏิบัติเป็นปนงานก็หรอกมันง่วงเงาหอ น, อนเออมันก็มีเนาะพ อ, อ, อง่วงเราก็รู้สึกตัวมันโมกมุ่นคุนิดเราก็รู้สึกตัวบางทีมันฉายมาฉายทั้งอดีตอนาคตเราก็รู้สึกตัว อดีตมันก็แก้ได้อนาคตมันก็แก้ได้เพราะเราทําอยู่นี่บางทีอนาคตยังไม่มาเราไปแก้มันอดีตผ่านไปแล้วจะไปแก้มันมันเสียเวลาปฏิบัติมันทันทีมันเปิดปิดทันทีมันทําทันทีเนี่ยปฏิบัติทำมันเป็นของที่ทําได้ทันทีเป็นปฏิบัติตั้งทันทีอย่างนี้นะจึงไม่ต้องกลัวหลอกจึงไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเวลาอะ เรามาหัดเรามาฝึกเรามาเริ่มต้นกันถ้าไม่มีเริ่มต้นมันก็ไม่ไม่มีท่ากลางไม่มีที่สุดมีแต่ลำดับลำนำเฉยๆเป็นความคิดเป็นความรู้มันใช่ไม่ได้หรอกความรู้นะความรู้ถิ่นรู้อะไรมากๆมันใช่ไม่ได้มันต้องมาเห็นจริงๆเป็นปัจจตบังเห็นความหลงไม่ใช่ความรู้แล้ว เป็นปากเป็นภาคปฏิบัติรู้สึกตัวเห็นความทุกข์เห็นกิเลสตัณหาเห็นความลังเลสงสัยเห็นความยึดมั้นถือมันโอ้ยมันเห็นกับหูกับตาคาหนังคาเขา่านปฏิบัติธรรมเนี่ยเรก็บางทีมันก็สมนําหน้ามันจริงๆสมําหน้าตัวเราไม่มีอะไรที่จะได้ชัยชนะประเสริฐ ภูมิบกภูมิใจเท่ากับชนะตัวเราดอกแล้วมันก็มีอยู่ทุกขณะการปฏิบัติธรรมอ่าให้มันเกิดขึ้นมาจะไปเก่งกับสิ่งอื่นต้องมาเก่งกับตัวเรามอยเก่งกับตัวเรามอสอนตัวเรานี่แหละอ่าให้มันอาตัวเราเนี่มันก็ง oo หรอกบางครั้งกิเลสพันห้ามันง oo ถ้ามาดูแล้วมันง oo มันเห็นสันหลังมันอยู่ ไม่มีใครที่ทําไม่ได้การเอาชนะกิเลสทั้งหลายทั้งปวงนะไม่มีใครทําไม่ได้ถ้าได้หลักแบบการปฏิบัติแบบนี้จริงๆนะมันอสมบูรณ์นมณะมันสมบูรณ์แบบเป็นชั้นอุดมหรือการศึกษาแบบอุดมที่สุดเลยนะมีความรู้สึกตัวมีความหลงมีความอะไรต่างๆมากมายเอีมันไปพร้อมๆกันมันไปพร้อมๆกันไม่ได้ฮะ มันเกิดต่อหน้าต่อตามันก็แก้ไขต่อหน้าตา่อตาต้าแก้ไขต่อหน้าต่อตาของที่มันเสียทำให้มันไม่เสียของที่มันผิดทำให้มันไม่ผิดนี่มันต่อหน้าต่อตามันเกิดกับผู้ปฏิบัติขณะเดียวๆกันไม่ใช่เป็นอดีตเป็นอนาคตแม่จะเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญเป็นบาปเป็นสวรรค์เป็นนิพพานเป็นพระสงฆ์เป็น อพรมเป็นอินเป็นอะไรก็ตามมันขนาดเดียวกันวับวแหบมบแวมเห็นเงื่อนเห็นไขเห็นส้นมันอยู่มันก็ตามไปได้อยู่นะมันไม่ใช่ได้ตามแบบความคิดมันตามแบบการพบเห็นเราตามแบบการพบเห็นไม่ใช่คิดคะณีคำนวณแม่นิมิต ท, ที่เราเอามาสร้างเนี่ยเขเป็นของจริงไม่กาย ไม่ใช่เอาลูกแก้วไม่ใช่เอาสีเอาเสียงเอาแสงไม่ต้องไม่ต้องเอาดวงอะไรที่เป็นสีต่างๆ่างกับสินจะทำทำไมแบบนั้นต้องเอาใิมิตของกิงแหละเอากายนี่แหละมาสร้างขึ้นมาประกอบขึ้นมาให้มันรู้มียเยอะแยะในกายในจิตของเราเออกมาเป็นนิมิตเป็นที่ตั้ง มันจึงจะเป็นของจริงมันจึงจะเห็นเป็นปัจจัุบังเห็นปัจจุบั น, นมันมีอยู่มันหลงที่กายเก่เากายนั่นแหละเป็นตัวไม่หลงมันหลงอยู่ที่จิตเก่กเาจิตนั่นแหละเป็นตัวไม่หลงน้โยกกับน้บําบ่งเหตุปัมเกิดอยู่ที่ไหนต้องดับตรงนั้นต้องแก้ตรงนั้นเยธรรมาเหตุตุปพภาวะเต๋สังเหตุตรงตถาคตโะ เอสัญจะโยนิโรโทรจะเอวังวาทิมาสมาโนอถาพระอจฉิสอนภาษาลีบุตรเท่านี้เองได้เป็นพระอริยบุคคลชั้นตุลเพราะปฏิบัติทรมันมันอยู่ในตัวของมันเองอมาพร้อมกันมันก็ทันทีทันได้ นีสติอ ย, อยู่ที่กายมันก็มีแล้วมันหลงอยู่ทีกายมันก็มีสติเดียวกันไม่ไม่เสียเวลาความหลงกับความรู้เป็นปัจจิตังทันที่พร้อมๆกันเราก็สนุกเปลี่ยนก็หลงความรู้อ้าวไปเอามาอา้าวตัวหลงนี่กับตัวรู้เท่านั้นตัวหลงกับตัวรู้เท่านั้นขณะที่เราทําอยู่นี่ แม้แต่ความโกรธกิเลสตัณหาต่างๆก็เกิดจากความหลงเท่านั้นแหละเอ า, ามันเงื่อนไขไปอยู่ตรงนี้ถ้าเรารู้สึกตัวแล้วก็แล้วคุมแล้วคุมกําเนิดของความหลงแล้วอก่อนที่มันจะโกรธก่อนที่มันจะกิเกิดกิเลสตัณหาราคะทั้งหลายทั้งปวงมันก็เกิดจากความหลงเราก็จับมันมาดูต่อหน้าต่อตาเหมือนยอ่อ ย่อโลกทั้งโลกมาอยู่ในกำมือมาดูโลกของเรากายคว่างสอกยาวานาคืบแม่แต่เป็นลูกรถยินเสียงอดีตอนาคตาหรือว่าภพภูมิต่างๆเป็นเปรตเป็ น, ปนอสุรกายสัตว์นรกเดรัจฉานเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรมเป็นพระอะไรก็ตามมันย่อมาให้เราดูแล้ว เราก็ทำอยู่นี่แหละการเจริญสติที่เราทำแบบนี้ทันทีมันก็ทาดีทันทีมันก็เลิความชั่วไปขณะเดียวกันมันเราจุดตะเกียงแสงสว่างที่มันเกิดขึ้นมันก็ถ้าเป็นน้ามันเป็นกินเลสน้ามันมันก็หมดไป อิเลสมันก็หมดไปความหลงก็หมดไปเมื่อมีแสงสว่างเดี๋เราจุดตะเกียงใส่มันก็หมดไปนำมันก็หมดไปมันมีแต่แสงสว่างเราต้องการแสงสว่างความรู้สึกตัวเนี่ยมันก็แสงสว่างนำมันมันกับอกุศลเราทำมันกับวิชาต่างๆมันก็หมดไปหมดไปเรารู้สึกตัวความหลงก็ค่อยหมดไปความรู้สึกตัว อะไรต่างๆที่มันเกิดจากความหลงมันก็หมดแห้งบางอย่างไม่ค่อยไปไม่ไม่ได้ไปทําเลยหรือจะพูดแบบว่าความโลภความโกรธควา ม, มหลงมันหมดไปเมื่ อ, อไรไม่รู้เลยถ้าเราเจริญเตถนยรนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีศีลมีสมาธิปัญญามันมีเมื่ อ, อไรไม่รู้ผมเมื่อเราดูไปดูไปฮะวันเจวันโอ้เราอยู่กับศีลมาตั้งเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยแล้ว เสดสินมาช่วยเราแล้วน่ะสมาธิมาช่วยเราทั้งนานเราไม่รู้ปัญญาช่วยเราทั้งนานเราไม่รู้มีแล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้บองอย่างไม่ใช่รู้ก่อนรู้เป็นก่อนเป็นเห็นก่อนเห็นมาหลงปูตเตียนตอบอาจารย์มหาสีจันทร์ถ้าเห็นถ้าเกลือมันมีจึงค่อยจะมา กินแล้วจึงจะรู้ว่ามันเค็มไม่ใช่ไปกลัวว่าเสืออยู่ตรงนั้นคิดกลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วทั้งที่ไม่เห็นเสืออัก็ไม่ถูกต้องอเราปฏิบัติธรรมเห็นแล้วเป็นแล้วจึงรู้แล้วจึงเห็นเป็นแล้วจึงรู้มีศีลแล้วจึงรู้จากว่าตัวเองมีศีลศีลรักษาเ่าไม่สมาธิแล้ว สมาธิช่วยเราอยู่แล้วจึงรู้จักว่าเป็นสมาธิเอาไปมาศีล ส, สมาธิปัญญารักษาเราเต็มที่แล้วโอ้จึงค่อยมารู้จักว่าเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาแต่คนส่วนมากเนี่ยเข้าใจว่ารักษาศีล ร, รักษาศีลต้องสมรวมต้องเพ่งจ้องอยู่เช่นนั้น <c oughs> รักษาศีลนีไม่บริสุทธิ์การเจริญสติเนี่ยแบบที่เราทำอยู่มันก็เป็นการรักษาศีลดยตรงอยู่แล้วเป็นการกระทำอะไรหลายหลายอย่างที่เกิดขึ้นในขณะเดียวกันเราสร้างสติจะยกมือเคลื่อนไหวมันก็เป็นการรักษาศีนเกิดขึ้นขณะเดียวกันแล้วก็มีศีนขณะเดียวกันรู้เท่าไรก็มีศีนเท่านั้น ขณะที่เราสร้างสติยกมือเคลื่อนไหวอยู่นี้มันก็เป็นการละความชั่วมันก็เป็นการทําความดีก็ทําให้จิตใจเราบริสุทธิ์ขณะที่เราเจริญสติยกมือเคลื่อนไหวไปมาอยู่นี่มันก็เป็นศีลเป็นสมาธิปัญญาอยู่แล้วมันเป็นไตรสิกขาไม่ได้ไปพูดชั่วไม่ได้ไปคิดชั่วกําลังมีสติอยู่ ใส่ใจที่จะรู้สึกตัวอยู่เรื่อยๆมันก็เป็นสมาธิแล้วเวลาใดที่มันหลงเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้รู้จะเปลี่ยนเป็นรู้จะปฏิบัติเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นปัญญาขณะเดียวกันมาพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันมาเป็นพวงพวงแล้เป็นกุศลก็เกิดเป็นพวงพวงในขณะเดียวกันถ้าเป็นอนกุศลก็มมดไปเป็นพวงพวงเหมือนกันทันลกทันใจ ไม่ฟรีนี่แหละสอนของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปกลัวว่าคนนั่นจะหลอกคนนี้นจะหลอกไม่มีใครหลอกกันได้ถ้าปฏิบัติแบบนี้อาจารย์ก็หลอกลูกศิษย์ไม่ได้ลูกศิษย์ก็หลอกอาจารย์ไม่ได้ถ้าเราทําอยู่เราเห็นอยู่เป็นอันเดียวกันอยู่กับใครก็ตามจะเป็นร้อยเป็นหมื่นคนก็เป็นเรื่องนี่เรื่องเดียวเวลาที่เราปฏิบัตินะ เป็นพ่สูจน์ไดเป็นปัจจัดตังได้เห็นต่อหน้าต่อตาทํำกับมือกับชีวิตจิตใจของเราถ้าหากว่าจะเป็นสวรรค์ก็สัมผัสได้ถ้าจะเป็นอวัยภูมิก็ปิดได้โดยการกระทําของเราเราจึงไม่ต้องกลัวเราวมันก็อยู่กับเรามืนก็ไปนะลุยมันเลยโลกนะถ้าเรามาลุยตัวเองได้แล้ว แหลกแล้วเหยียบปวดแล้วความโง่หลงมงมงายคว า, ความโลภความโกรธความหลงแหลกแล้เหมือนจัดแห่งทำหมุนไปตรงไหนมันก็แหลกไปเลยเอาก็ชนท่านทำทั้งหลายแหลกเลยเรียบไปเลยอย่างไห น, นให้มันเรียบอยู่ในชีวิตของเรา <c oughs> การปฏิบัติมันก็ลุยเคยเปรียบเทียบให้ฝังการเจริญสติสติเหมือนไม้กวาด ไปตรงไหนไม่กวดผ่านไปตรงไหนตรงนั้นสะอาดที่ฝุ่นไปแตาไม่กวดการเจริญสติแบบที่เราทำอยู่นีเหมือนกับใบเม็ดรถรถแทรกเตอร์ใบเม็ดผ่านไปตรงไหนตรงนั่นก็เรียบทันทีเหมือนกับการเขาทำถนนหนทางใส่ใจที่จะรู้อยู่เรื่อยๆไปก็เรียบไปเรียบไปเรียบไปคนาดเดียวกัน ไม่ขวดกับความสะอาดไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันมันไม่ต้องรอแม้แต่เสี้ยววินาทีการปฏิบัติธรรมจะไมเข้าไปเข้ก็ทํากันอย่างนี้ทํากันแบบนี้เดี๋ยวนี้เรามีศึกษาอะไรมากรู้อะไรมากสมองของเรามันเฉโกไปไหนไปรู้ ไปจำไปจดไปคิดไปเลยมายึดอะไรไว้ไม่รู้สมัยก่อนคนไม่ค่อยมีอะไรมากมากไ ม, ม, ม่ไม่เหมือนพวกเราทุกวันนี้มีแต่ธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติฉนั้นคนบรบราณโบราณลูกเต่าก็ได้ยินแต่พ่อแต่แม่กับครูอาจารย์าการบอกการสอน <c oughs> นอกแ่นั้นก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาท้องฟ้าฟ่าล่องฝนตกแผ่นดินป่าไม้สัตว์อะไรสิ่งไม่มีอะไรที่ให้ข้อมูลที่มันอ <c oughs> ทืทำให้ติดทําให้เปิดเปื่อนในชีวิตจิตใจสเสียงเพลงเสียงดนตรีหมอลำอะไรวิธีสื่อสารไม่ค่อยมีโ ท, ทรทัศน์โทรทัศน์อะไรไม่ค่อยมี รถลาไม่ค่อยมีเดินเท่าพอตลอดทั้งปีทั้งเดือนทั้งปีตอนเย็นมาก็มานั่งใไปรอบพ่อรอบแม่พ่อแม่ก็เล่าเนทานเนทานก็เป็นเรื่องดีๆนะทุกวันี่ยโอ้ยมันหลายหลายอย่างพอที่จะแหวกเข้ามาหาความรู้สึกตัวเนี่ยมันขวงกันไว้เยอะแยะมันติดมันเปิดมันเพื่อนอะไรมาไม่รู้ถูกช่ำถูกเกิ ลองร่องรอยในกายในใจ <c oughs> ลองรอยในกิดใจ <c oughs> อ่าหลังจากเรามาซ่อมะเข้าอู่ซ่อมอ่ามันเสียมันมือสองชีวิตมือสองถูกชนมาถูกลักถูกชังถูกด่ยถูกเสียถูกผิดถูกถูกผิดวังด้ายสมวัง ในความสุขลูกอะไรสะดวกสบายมันก็ติดเป็นกันนะสะดวกสบายเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเทวบุตรตมานติดสะดวกสบายเทะวะบุตรตมานเกิดภายในกองทรัพย์สมบัติพัฒสถานทรัพย์เสิงสะดึงขานห้ผ้าประชาชนหมูมิตรเพื่อนปุ้งนี่ติดสุขอันโยมผู้หญิงก็จัง <c oughs> จะไหมปีห้ารอยสิบแปดออกไปเดินทุดงกับโมลงคอเป็นกุดตายเป็นคนนา ย, นนนายตื่นขึ้นมาก็มีลุกจากที่นอนก็มานั่งโต๊ะนั่งโต๊ะก็มีแปรงสีฟันใส่ยาไว้พร้อมใส่ยาสีฟันติดแปรงไว้บนแก้วก็มีน้ำอุ่นตั้งอยู่ตรงนั้น แปลงพันด้วยน้ํามุนดุนพอแปลงพันหน้ามุนดุนเสร็จแล้วล้า <c oughs> งหน้าล้างตาเข้าห้องน้ำห้องส้วมออกมานั่งที่เก่ามีน้ำโอวันตินมีกาแฟเลือกกินได้ทุกวันทุกวันเอาไปมาเขาก็เกิดการเบื่อหน่อยมันจะมีอยู่นี่หรือชีวิตเนี่ย มันจะเป็นขนาดนี้เลยเขาก็ออกตีไปเลยไปเดินทวลงกับหมู่หลวงข้อไปสามเดือนนะไปเลยเรื่องนี้ก็ก็บวชเป็นแม่ขี่มาบวชที่นี่แหละอยู่ที่จังหวัดชนบุรีเขานำับอายุแปดสิบกว่าปีแล้วยังยังคิดจะรับผิดชอบเขาอยู่แรก่องเขาพ่อเข อ, อยู่กับหลวงข้อนะ่ะหลวงพ่อก็สมัยก่อนมันไม่มีอะไรจริงจริง สะพานก็ไม่ท่อนเดียวไต่เอาเดินไต่สะพานข้ามลําปะทาไม่ท่อนเดียวสมัยก่อนหลวงพ่อกับหนุ่มๆก็เดินไต่ ย, ย้ยอยๆไม่ต้องไปมีลาวจับหลวพ่อก็บอกเขาเดินมาเดินมาเขาข้ามนะหลวงพ่อเดินกลับไปกระม้ายเขาดูเขาเดินม า, เ, นมาเขา ข, า, า, ดขาดา ด, าขาขาดโอ้ไม่เชื่อดูทวนเนี่ยอ่ถ้าเขาตกลงไปนั่นจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เน่ก็ ก็เป็นอย่างนั้นเทพระบุตรตมานเป็นสิ่งที <nella refreshing> <You S 2> ่ขวงกันต right. ิดสุขติดสะดวกติดสบายติดความรู้ติดอะไรต่างๆอก็อ่อนแอนะความสะดวกสบายทำไมอ่อนแอเรามาปฏิบัติมันลุยๆสักหน่อยได้เนี่ยนั่งสร้างจังหวะบางคนก็ต่อรองนั่งเฉยๆไปได้เลยหลวงพ่อดูลมหายใจได้เหมือนกันแต่การเจริญสร้างสติแบบนี้มันขยันนะ ขยันลู่เป็นจังหวะขยันลู่เป็นจังหวะเก็บลู่เก็บลู่มัน ก, ก็บริหารร่างกายไปพร่อมๆ่อมกันเดินจงกรมก็บริหารร่างกายไปพ้อมกันดีไม่ดีโรคไขไขเจ็บหายไปเลยจวะว่ายังไงอ่าหลายหลายอย่างที่เราเจริญเศรษแบบเนี้ระหว่างเรายกมือสร้างจังหวะยกมือเคลื่อนไหวไปมาระหว่างไหลระหว่างแขนต้นคอหน้าอกเกิดพลังขึ้นมาเข้มแข็ขแงเดินจงกรมทั้งหมดเลยเข้มแข็งทั้งหมดเลยเดินจงกรม เพราะนั้นเนี่ยมันฝึกหลายๆอย่างขณะที่เราฝึกกรรมฐานแบบไหนมันฝึกได้หลายๆอย่างเกิดความเข้มแข็งมีโยมคนหนึ่งนะเป็นโรคเบาหวานหมอบอกว่าจะตายเพราะโรคเบาหวานนี่แหละไปด้วยกันตลอดชีวิตเอาเลยไม่ยอมเดินจงกรมอยู่วัดอาจารย์มหาไหลวัดป่าหนองคู่เดินจงกรมจนแจ้มโสดลงมาย่อนลงมาถึงคาง ปั่นท้ายย้อนลงไปนี่ฟัดต้นเละโตเลตะโตเลตะ เ, ลเวลาเดินจงกรมงือร้อายยางตายออกจะไม่ยอมตายเพราะโลกวานหาวิธีต่างๆเดินจงกรมจนจะเป็นหลมเอาให้มันเหน็ดเหนื่อยเมื่อไรยางไม่ใช่เงือร้อ ย, ยออกเดินนั้ น, นเอาไปมาก็หายเลยโลกวานเออมันเป็นได้ยังไงสู้ กำลังสติกำลังสมาธิกำลังปัญญากำลังความเพียรศรัทธานะับางทีมันไปได้นะศรัทธาเนี่ยมันซับนะัทหลงไปเลยนะให้มีพร้อมๆกันหลายอย่างสนับสนุนในการปฏิบัติมีศรัทธามีความเพียรมีความอดทนมีสติไปพร้อมๆกันกับการปฏิบัติอาศัย มูลโมรดกของพระพุทธเจ้ามอยช่วยอย่างนั้นเฮ้ยเราก็คิดถึงพระพุทธเจ้าคิดเหล่าถึงเหล่าพระสาวบุกยกุคนี้สมัยนี้สมัยก่อนหลวงพ่อก็คิดถึงพระสาวบุกทั้งหลายคิดถึงพระพุทธเจ้าคิดถึงวกวีศกกวีศิกาผูท้ที่เลิศเลิศในสมัยของพระพุทธเจ้าเอ้ามาอยู่ปัจจุบันเอ้าคิดถึงหลวงปู่เทียนดูหลวงปู่เทียนเอ้าท่านก็สอนท่านก็ทําให้ดูโู้ยทำบุญแบบเลยทีเดียว อ๋อวันนี้ก็สมควรเฉย